ก็บว่ผลตายใครที่เป็นคนร่วยทั้งหลับหยุดชนะเสริญสักเพียงใดเก็บว่ผลตายส่วนพุ่งคิดพุ่งใจพุ่งทำกุศลวาดสนานันไปคนละบอลมวลอายุในระดับเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกั น, น, กนแจะตายยื่นไปใด้กระทองตาย สิผลจากีเรศก็ต้องสมมุติตายสกักกันแต่ว่าบอกเดีดสมมุติว่าตายผนจากีเรศเหรอนี่เตกดับไปจะขันหาทวันธรรมระอันว่าตายว่าตายไปใส่ถ้ำก็บม่มีผู้เป็นเจ้าหลกก็บม่มีผู้เป็นเจ้าหลกก็เป็นของกลางถ้ำก็เป็นของกลางถําไฟเกิดไฟดับก็บเป็นของกลาง ทำไฟบาปกับเป็นของกลางทำไฟบุญกับเป็นของกลางทำไฟมรรคผลในพานกับเป็นของกลางเลียกแต่ผู้ได้สิไปโดนแหวอเอเอเ อ, อันแหวอันนั้นดับก็ยังสั่นทำทั้งร้ายทั้งเป็นจริงยังสั่นส่วนผู้คิดใจสูงก็มีถ้ำสูงก็ไปเถือกแหวอันถ้ำสูง เอส่วนผู้พผนไปแล้วกับไปถึกให้เหวอันถ้ำอันพนไปแล้วพวกพระสสดิ์บันฑ์สักข้ า, าคามี่หน้าค่ามี่ก็มีแหว่กลองจ้องแก่งๆอยู่ส่ันเหวพระนิพพานเป็นเหว่ซุดหนอดมรรคห ก, กมีอยู่ประจำอยู่หาเวกี่ก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีมะพ น, นิพพานก็ดีอุปมาคือน้องน้ำ ถ้ทั้งบาป ก, ก็อุปมาคือไฟไฟก็เป็นธรรมศาสตร์ไม่ยุ่งสัตว์มันข้นยุก็พู้สิไปจับหรือบอไปจับภระสิดีวิเศษสักเพียงใดก็ตามเมื่อพระพันผลทุกข์ยู่แต่อำนาจกรรมและผลของกรรม โต้คือกันเพิ้นคือกันเจ้าคุณชมเดจมหาวิยวงวีละวงองเก่าเนะี่งาบรมใานวะ่ดพาเทลานุเทละเข้าไปกลาบไปทุนเพลินบางข้าวพาเทลานุเทละร้ายองค์ไปสุดเดี่ยวกัน มนกระถามปัญหามาคนเทา น, น, นี่ยโยน้อันใดไป น, ไนําอันใดนึงก็ตอบไปนี่นึงูนึงก็ตอบไปเนี่ ห, น, ห, น, น, ห น, นึถือกุ้นังถือผูเลี่ยมเพื่อให้จันดีตอบคนเท่าไปน้ากล่าอยน้ากล่านึกนก้ากล่าคิดน้ากล่าด่านนึกคิดก็ดี นั่นไก่จะกัมวาจิกรรมก็ลงไปร่วมอยู่ในเจิตนาของมโนกรรมแล้วเพาะฉะนั้นมโนกรรมเป็นต้นท้าเหตุของกรรมทั้งหลายไปน้ากรรมอยู่น้ากรรมโยกเว้นพระรหัสเสียเพราะฉะนั้นเพลนแลห้คะแนนโพนีตอบถือ ก, กมูเข้ากับพี่เจ้าก็ไดดขวม่มยังฉันอิลีก็ว่าเพลนตอบถือกมูอยู่เพลนอาจารย์ดีนะ นั่งกันั่งยื้น้ำกำมเช่นภาวานาอโยสีเดียวยื้อน้ำกรมก็ยื้น้ำกร ม, มที่ภาวานาพระห้องวานรุ่นปวดมืดพระอรหันต์รวานาน่จัดเป็นกำมบ่ยืนเดินนั่งนอนรับตื่นไม่ได้จัดเป็นกำมจัดเป็นอาุีกำมให้พ้นสาเร็จแล้วยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิด จัดเป็นหอ้โหที่กำทั้งนั้นเพราะว่ามีกิเลสเขาไปสิงเพราะบ่ามีวิบากผลของกำคําว่าวิบากผลของกำนี่ไม้ทั้งทั้งดีได้ทั้งสัวคําว่าผลของกำกับไม้ทั้งทั้งดีได้ทั้งสัวคําว่าเหตุกับไม้ทั้งทั้งดีได้ทั้งสัวคําว่าพืชกับไม้ทั้งทั้งดีได้ทั้งสัว คำอากิริยาของกิตก็หมายถึงทั้งดีได้ทั้งซัวส่วนพระนิพพานบ่ได้อออกมาบ่ได้อออมาคุกเข่ากันเพออราะบ่มีพืชเพออราะบ่มมีเหตุเพออราะบ่ไม่มีกรรมบร่ยังผลของเหตุบ่ยังผลของพืชบ่ยับนผลของกรรมเพราะเป็นอาหัวที่กรรมไปแล้วเพราะคิดใหญ่ของถ่านบ่มีอุปาทาน เมื่อกิเลสบมีอุปทานที่มาจากปรกตูใดคมเยืดเหมือนถือหมันบามีพระรหันเดล ว, ว่างด ว, ว่างกิเลสบอเพราะเด ว, ว่างเด ว, ว่างกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมบสิ่งที่บกคล น, นึกสิ่งที่บควนชิดพระรหันอมาเขตบอ เพื่นกืบว่าได้หลงเอามานึกมาคิดพอคิดใจตกพายในผ่านโยมมีกระเวน้นกระคืนนี่พอมีพายในผ่านเป็นอารมณ์โยมมีกระเวน้นกระคืนนี่อารมณ์ทั้งหลายทรงเข้ามาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งอายตระทั้งกายทั้งใจมันเป็นอมันเป็นของเย็นมดแล้ว เพราะมันโมมีหักไม่สร้างไม่หลงไปตอมันเป็นเสียงก็เป็นเสียงล้วนลวนหูก็เป็นหูล้ลวนลวนสีสมมุติว่าเสียงมวลเสียงโมวมวนกับสมมุติอยู่แต่ควอมหักค้อมสร้งของเพมนมันมนไปสัมประยุทธ์ร่มคอยร่มแห้งผุดตะพคอยผุดตะ พ, พ, ะพแหง้งรสหวานรสเปรี้ยวรสมัน ก็หูจักตามเป็นจริงอยู่ผู้กำนัดบ่มีบ่พอบ่มีอุปทานอันนี้หวานมันกับว่าได้ว่ามันหวานขมมันกับว่าได้ว่ามันขมเพิ่นกับว่าได้สอเพิ่นยังสั่นเพิ่นก็พูดตามสมมุดง้อเพิ่นกับว่างัวค้อยเพิ่นกัว่าควอยอยู่แใจคิดใหญ่เพิ่นมันบ่มีกี่เละไปเพิ่นกัว่าไปม่าเพิ่นกับว่าม่านั่งเพิ่นกัว่านั่งนอนเพิ่นกัว่านอนอยู่สมมุดเพิ่นกับว่าสมมุดยู่ เพิ่นว่าเอาสมุดกับวิมุตต์มาเป็นสงข้ามกันเพิ่นว่าเอาบัญญัติกับปริยัติปฏิเวทบัญญัติกับปริยัติอันเดียวกันปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติเพิ่นกับว่าได้เอามาให้เป็นปัญหาหมุนไหวกันในคิดในใจของเพิ่นเพราะเพิ่นแยกออกได้แล้วเพราะเพิ่นรู้ามเป็นจริงแล้ว หนังก็เป็นหนังที่ตามธรรมชาติเออินคือเฮ้าควบกำนัดในหนังบูมีผมก็เป็นผมที่ตามธรรมชาติควบกำนัดในผมบูมีขนเล็บฟันหนังอาญาตนะภายในภายนอกอย่างเพิ่นกับว่าได้ปฏิเสธตามปริญญาเพิ่นกับว่าได้ปฏิเสธตามสมุดเดี่ยวมันบูมี่เนี่ยเนี่ยกระทบกระเทือนจิตใจเพิ่นเลยถ้าเล่า จะเป็นจังสันมันจะกระเทือนจิตใจของเรามันจะคุณเพ่นก็บว่าได้ระวังหมู่เฮามันบอลผลมันต้องระวังเหตุจังสันจังพ่ อ, อยูดได้น้ำสมาธิยพูพ่อพอยู่ายน้าการที่ชนะธรรมะหมูห่เฮาอยูพ่พออยู่ายน้าวิปัสสนาภาวนาทุกขังอนิจจานิสตาพีเนาะสมถะบกะวิปัสสนาบักอ พีนาเหลืองขอวัดปฏิบัติบา้าเพีนาน้าจีว่านบัดใจซีบินธบาตเสนาชนะละเพศัตดที่ได้ซ้อมแสมก็ดีที่ได้รักษาก็ดีปัดกวดก็ดีพระละหัน์ปัดกวดไหมพระละหัน์รักษาขอวัดทุ่มหนีไหมพระละหัน์ไรหมดไรแมงไหมหมดขุนกุฏีวิหารไรคือกัดแต่บริหารสวนบวชสามนามคุณ เพราะธรเนียมของพาวินัยจัดเป็นเสนาสนะจัดเป็นศีลวัดทอดสะพานอนุชนหลุนหลังเพราะทำเป็นเครื่องยูเหตุนัิสัต์เพราะจังหวะลมหายใจเขาออกเ ป, เ, อออเป็นเครื่องยูของพมบ้างเป็นเครื่องยูของพระละหันบ้างลมหายใจเขาออกเป็นยืนหยันยนิสัยส่วนอื่นๆเป็นเพราะยืนหยัน ร่มหายใจเขออกเป็นเครื่องยูของพระละหันบ์บาเป็นเครื่องยูของพมบ้างคขา่ายูเนี่พระละหันต้องหาบนรยูอยู่บอกก็เดี๋ยวว่าไหนบนรยูพอแล้วพูดเป็นสมมุดแต่ก้นปฏิบัติายซื่อเพื่อนก็บอกมีได้สําคัญพนบรรยูพ่พนไปแต่มาหาสตีของเพื่นมันพ่อแห่งหเงาบ้านก็เลยห์หูจักบ่ได้ลําบากวางสันทอ ตีพระรหันยุกับตัวหรือไม่ยุกับปัจจุบันหรือไม่ถือว่ายุกับปัจจุบันถือว่ายุอันนี้อดีตถือว่ายุอันอนาคตกับว่าบ่ถือหรอกเพราะมันมบมีบอนขัดของเพราะบอลรื้มจากเถอถือว่าเพิ่นอายุยุอันอดีตอน า, อนาคตปัจจุบันกับว่าถืพอเพราะเพิน่นบ่อยูบนไหนจากบอนเพิน่นบติดบนไหนจากบอลเพิน่นอู่ทำเป็นจริงเม็ด ปัจจุเพิ่นกับปะติดอดีตเพิ่นกับปะติดนา่าคตเพิ่นกับปะติดเพราะมันมีอุปทานขเขาไปยึดถืออยู่แล้วมีเรามีเขามีสาธิตบุคค้ในภาษาใจของเพิ่นแล้วก็เป็นแต่ขันทวิบารลุนล้วนเมตนาความสวยอารมณ์สุขทุกอุบเบกขาของเพิ่นมีบอเพราะฉะนั้นก็มีในแต่ในส่วนไก่อุบเบกขาทางไก่บ่มีนี่ความวางเฉยอุบเบกขาทางใจ่จังมีนี่ ถ้าเป็นไฟ้ามันโลกิจะหรือโลกุตตะะก็ตามอเุเบกขาทางกายบ่มีกายเป็นปกติอยู่นี่ใจส่วนเดียวเป็นอเุเบกขาสัญญาควบจัเพณิบมีบ่มีสังขารควบผงแตง่แงแห่งกิตเพณินมีบ่มีแต่เป็นสังขารนุ่งล้วนว่าัมประโยชน์ ด, ด้วยกิเลสควบนึกควบคิดเฉินเพื่อที่นึกประหารปานีเพื่อที่ประหารปานีเพื่อกระนึกล่วงหนา้าสักกอนคือการหั่น เจตนาของพลมันบ่มีกิเลสเจตนาที่ไปบนหันเจตนาที่ไปบนนี่เจตนาที่นั่งที่นอนสียืนสีเดินสี่พูดสี่นึกที่คิดเจ้งเฉียหันของกิเลสบ่มีหมู่เห่านี่มันตอกตะก้นคุ้มนักโทษอยู่ขันบุคุมมันรักหนีนี่นักโทษมันผิดที่หลีสติก็คือกันขันบุเฮตเกิดให้มีมันกับบ่มี อันพ้นสีเฮตัยเกิดไหหมีก็ตามสีสีโป้เฮตัยเกิดไหหมีก็ตามมันเป็นจริงโยงสัมันมีโยงสันจังว่าเป็นผู้มีสติเต็มทีเม้อแม้เป็นมหาสติเพื่อนเขาสมาธิสมาบัติก็อนุร่มนําขันทวิบากตั้งหักและรักษาธรรมเนียมซือ่อบ่มันหวังว่าสิเจริอนเมตตา เพื่อสิให้หายโกรธ่มันหวังไว้สิจเจร่ญนเขาปฐมมาสร้างเพื่อจะการคิดฟุ้งซ่านหรือทุติยตาตียืออนนี้กตามส่วนเขานี่โหลดสมาบัตรระงับจิตตาสังขารชัวขู่ชัวข้าวผลออกมาแล้วก็นึกคิดคือกันละของสังขารขันคนนึกคิดมันบ่มีพิษท่านนี่ เดี๋ยวก็มีปาดนาหน้าเขานึกคิดนี่นึกคิดด้วยเกตนาก็มีนึกนึกคิดด้วยขวอมค่อยสิ้นก็มีนึกคิดด้วยค้อมหลงก็มีฮข้นี่เพราะเพราะยังพันฒนะโมหะด้วความนึกคิดท้องเฮาด้วยควอมเป็นอจินวัตเป็นควอมนึกคิดห้างเที่ยวกับไปหาทางบาปห้างเที่ยวกับไปหาทางบุญห้างเที่ยวกับปไปต่างๆเป็นอภิยะคิดเรียกว่าทางฐาน ให้จังสันพึ่นจังให้คุ้มให้มูเฮาอยู่ในขอวัดปฏิบัติที่นี่เสนาสนาวัดทั้งปวงจีวอนวัดก็ดีเสนาสนวัดก็ดีเวทจวัดก็ดีอาจารยยวัดก็ดีอุปชาญาวัดก็ดี ว, วัดทิพ ซ, ซีก็ดี วัดตลานะันบนวัดตระดดเดีกเสนาสนาวัดทั้งปวงจัดเขาในีีลวัดนับเตเวจักกุฏิการรักษากุฏิวิหารให้สะอาดสะอา้านกับจัดเขาในีีลวัดการรักษาเนาสนาสนวัดบ่อยหกให้เหือเกินไปกับจัดเขานีสีละวัด อาจารยาวัตรก่จัดเขาในศีลวัตบินธบาตวัดก่อจัดเขาในศีลวัตพัตตวัตชั้นอาหารก่อจัดเขาในศีลวัตซักผ้าซักผ้าบ่วแห้เป็นสาบเป็นกุยก่อจัดเขาในสีลวัต เก็บสิงเก็บของสงของบุคคลของเกดีตามสติกำลังในสังคมหนันหน้นๆ่นไม่กระจัดกระจายแม้ไ่พ่อเก็บใบจั้งไร่กระจัดเขาในศีระวัตเมือ่อศีลวัตมันบริบูรณ์แล้วตามสติกำลังธรรมาทิวัต มันหังมันไปเองมันเมื่อมันได้สมาธิวัดแล้ปัญญาวัดมันก็เกิดขึ้นน้ากันตามสติกําลังของสีลวัตของสมาธิวัดเมื่อปัญญาวัดมันเข้าแล้วสีลวัตสมาธิวัดปัญญาวัดมันกลมกื่นกันแล้วตามสั่นของภายของมันแล้ว ปัญญาวัรกับวิปัสนาวัรมีวามหมายอันเดียวกันสมาธิวัดกับชานินวัรกับควอมเพ่งยูในกรรมฐานก็มีข้หมายอันเดียวกันธรรมวิจา ะ, ะวิจยวัดสอดซองธรรมพีแกนา่ากระจัดขอนปัญญาวัด จัดเขายปัสนาวัดนนวัดทัางหลายก่งเกืนไปแล้วหาเหตุผลมันสูงขึ้นไปมันก็กลายเป็นโลค ก, กุตระวัดไปคอวัดของพระโสดาบันจัดเป็นโลค ก, กุตระวัดเบิดเป็นคอวัดเบื้องต้นของพ่มาจันทร์นี่แน่ด่านคอยไหว่าจาใจของเพลิน ตำก็ น, นั่นลงมาเป็นโลกิยวัดเป็นขอวัดของโลกิยะเมีนชีเด็ดเดียวผ้ายนอกผ้ายบาตออบผู้อบเขาวัดมือกาตามเดิอนอยู่กลุ่มจนค้นทั้งเป็นห้องกาตามนั่งมื่ขึ้นหอดมือเสากาตามก็ยังจัดเป็นโลกิยวัดอยู่เพราะอำนาจของกิจใจเพราะถึงโลกุตระเด้ ขอเกลีดว่าท่านเบาบางยังว่าท่านเห็นหนทางคักแน่ดิยังลูกยังค่ำอยู่นี่อันไดน้อยจังที่ถึออันไดน้อยจังที่พิษจูอย่างสัตกูชิพ่าวหนาอย่างไหนน้อยจังที่ถือกูชิพ่าวหน้าอย่างไหนน้อยจังทีดียังสงสัยในกรรมฐานจะคลองอยู่ดิยังเลือกกรรมฐานใจะคล้องยังหนุยังบวถือ ไมงใ่ยังยังบล่งสัองข์อยู่ยังเกิดข้มสงสัยอยู่นับจะพระโสดาบันไปสีเจริญกรรมาฐานอันไหนกับว่าสงสยัยสีเจริญอันสุภากับว่าสงสยัยสีเจริญเมตตากับว่าสงสยัยสีเจริญพุทโธกับว่าสงสัยว่าบวชแต่ตัวกรรมาฐานอันนั้นต่าบวได้ตัวกรรมาฐานอันนี้สูง ขันจิตใจเราสูงปัญญาเราสูงกรรมฐานทุกสิ่งก็ต้องสูงขึ้นมัดว่ามันกรรมฐานเสมาต่อนคอยต้อนรับจิตใจเดิจิตใจต้องต้อนรับกรรมฐานเดิต้องงอมปฏิบัติกรรมฐานอ่านครับจิตใจบ่มันกรรมฐานเสมาปฏิบัติจิตใจอุปมาว่าว่ามันหฮมสสมากรากห่าเห้าต้องงอมกงหม จิตใจนี่มันบ่สงสัยในฆรวาสมันบ่สงสัยในขอวัดเนียอื่นมันบ่สงสัยว่ารัฐที่อื่นจะทําจิตใจให้สูงได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคําสอนของศาสนาพุทธน่นจิตใจอันนั้นมันเคลื่อนขึ้นหาโลกุตละแลยอ น, นั้นมันจิสิ้นข้อสงสัยหรือหละ ขึ้ควมสงสัยในปฏิปทาของเจ้าขอ ง, ของและฮันขอท่างถือกหรอสิเขาดานวนๆก็ถือซีเขาซาซา ก, ก็ถื่อว่าสงสัยในห้นทางหละฮันออกลมาทานเจรยะยงระยงระยงที่พระองค์เจ้าทรงสอนไว้ต้องทั้งโล ก, กุตละวัด จริงไหนบ่ถึงโลกกุตตะลาพระ อ, องค์เจ้าบ่าเพลงออกมาสอนไว้จริงไหนสีน้าสัตว์เข้าถึงโลกกุตตะละเป็นอุบายคํามสอนพระพุทธเจ้าออกมาว่าไว้เมื่อตัวแล้วแต่อํานาจกิลเลสของสัตว์แต่และตัวบ่คือกันก็เลยสามารถถึงก่อนถึงหลังกันบ่ถึงบ่างบ่ถึงบ่าถึงบ่าบ่ถึงบ่าผู้หน่อย ผู้บาลามีแก่กามากสติปัญญาแก่กะอินซี่แก่กามากกับเจอเรื่อกรรมฐ า, านอันเดียวกันสมมุดาว่าพุทธโทธคือกันนั่นสิแตมีแยบคายก็กันสมมุทรพิเก น, น้าลุ่มให้แจเขาออกนั่นสิสุคนทรพี่แก น, นาล่มกำลังเขาของสี่ต่มีตีข้วไมายเพจกัดเพราะอำนาจของสติปัญญาแตกศาลและแยบคาย หนึ่งพี่แกหน้าผมเสซนเดียวอ้าตั้งใจพี่แกหน้าผมเด้อเฮ้าหวานนี่เหรอจังควอมจับในผมควอมสัต์ในผมควอมแยบค่ายในผมกระต่างคันขนเร็วฟันนี่ยังกับคือกันกรามาฐานอันอื่นคือกันเอาพี่แกหน้าความตายเฮ้าว่าการพี่แกหน้าความตายกับมีแยบค่ายต่างกันไม่ละเอียดละอ๋อต่างกันกับพวกลับไปลูกขี้ยะ มาฐานอันเก่าล่ะข้าพี่แกหน้าเนึองเนื่องทำอันเก่าหรอไม่ได้ทํำไม่มาจะใส่ข้าพี่แกหน้าเนืเนื่องข้ามันพี่แกหน้าม่นกระดับมือแตกฉานเขา่าขันเมื่อคว่ำแตกฉันมากไปทนายคว่ำสงสัยกระสินไปทนายบมมันคว่ำแตกฉันไปทนายมันสีมาฝุ่งซ้ำบ่แม น, น ขันความแตกฉันในธรมมรมธรรมโมปฏิฐานมันกำมาฟูงซันอันนั้นบ้แมนอัน น, นพูดตามเคยเลยยินงเลฟังมากเื่อซื้อเคยหูกรหัดปากวาไปทีื่อซื้ อ, อขันความแตกฉันในธรรมะธรรมโมในกิดในใจจะของมันซัดในใจของแล้วบพจัดเป็นคว่ำฟุงซ่านจัดเป็นธรรมะปฏิสัมพิธาแตากฉัน ลดของสมาธิลดของปฐมมาานผู้นี้เข่าอานาปานาสติถึงปฐมมาานผู้นี้พิจนากายจะคตาสติเข่าถึงปฐมมาสานแต่ลดของปฐมมาสานมีอันเดียวกันระ ง, งับวิตกวิจการระ ง, งับการมาชันทะ วนันระงับนิวรณหาได้เสมอกันแต่ว่าความแยบไขยในองค์ชาตมันพิษกันนั่นตั้งมันก็กันอีกจะเจริญพุทโธนี่สามารถถึงแต่อุปจารสมาธิถนัดบ่ดถึงมาสามารถถึงอัปปนาสมาธิ แต่สามารถดึงวิปัสสนามาได้พิจนาควรตายเป็นอารมณ์ก็าสามารถถึงอุปจารสมาธิทารถว่าสามารถถึงอัปปนาสมาธิพูม้มโหหารสามารถถึงอัปปนาสมาธิ รูเขาพุทธมวิหารสามารถถึงปัญจมาสานวมหายใจเขาออกสามารถเขาถึงเจตุสชาิได้ทำสำนานกายคตาสติล้วนๆ้วนสิทั่มสิเจริญสักเพียงไหนกระตามว่าสามารถ ข่าถึงจจตุทัชาิได้เนี่ยได้แท่ปฐมมาซานเท่านั้นปฐมสาซานกับอัปปนาสมาธิอันเดียวกันมีรสศาสตรอันเดียวกันมีวามไม้อันเดียวกันกับอัปปนา้ า, านาก็มีวามไม้อันเดียวกันกับอัปปนาภาวนาก็มีวามไม้อันเดียวกัน ผวังขบาทกับคณิกาสมาธิก็มีว้อหมายอันเดียวกันผวังขาจารณะกับอุปจารสมาธิกับอุปจารชาติกับอุปจารภ า, ารวนาก็มีความหมายอันเดียวกันมีรสอันเดียวกันผวังคุปเชทะกับปฐมสาน กับอัปปนาสัณกับอัปปนาพวนากับอัปปนาสมาธิก็ไม่ใช่ข้อมาอันเดียวกันหลายสื่อๆที่นี่พวกที่าวนาถึงต่อุปจารสมาธิน่น ไปเห็นนิมิตต่างๆทั้งภายนอกและภายในกันว่าควรนิมิตสามารถสําเร็จมรรคผลนินพพานได้หรือไม่บอกว่าสามารถอุปจารสมาธิสามารถสำเร็จมรรคผลนินพพานได้เพราะจะพิ่จะหน้าถาดขันก็พี่จะหน้าควบกับอุปจารสมาธิ สิงส่งแยะสิ่งแยะอันใดก็ควบกับอุปัฏฐารสมาธิส่วนปัจผมมาชาติก็ดีอัปนาชาติก็ดีอัปนาสมาธิก็ดีว่าสามารถสิ่นี้เอาน้อมสิ่สนี้เอาน้อมนี่ปัสสนาได้ต้องถอยออกจากอ น, นันตาก่อน มาอย่างอุปัจปจารสมาธิสกุลยังพี่แกหน้าได้พออัปปนาสมาธินั่นเป็นแต่เพียงหูจักก็มันอยู่ซื่อๆด้อัปปนาชาญก็เหมือนกันหูจักก็มันอยูหลอกก็ว่างเฉยซื่ อ, อบริเกี้ยวยัง้งบริเกี่ยวของยัง้งเดี๋ยวเอาพักงานล้วนๆขับมั น, นข้นกับมันนอนรับสนิทรับแสบ ร, รับนัว แต่ออกมาหังเกีรถเกีวศาสตร์มันได้อยู่เมื่อไ้ปลาลบยั้งพ่อให้เป็นเครื่องนายเครื่องถอนละ่ะก็พ่อปานชีร่าทับเนื้อบริษีสินควมสงสัยได้บริษีสินควมสงสัยในสังขารทั้งปวงได้ในถาดทั้งปวงได้ในอินทรี่ทั้งปวงได้ ได้ขอวัดทั้งปวงได้จิงจะกวนบกวนเมนอปนาสมาธิกับวิปัสสนาสัมพยกันอันนี้สามารถสำเร็จวัคคุนี่พานไดนน้เพราะสามารถที่นี้เอาไตรักมาพี่เน้าขวบได้ไ ด, ด้เมื่อเห็นนิมิตเกิดนิมิต ด, ดับเสียงเลือนเสียงดาวกว็ดี มันเห็นพ่อมือนกันก็กล้องเกิดคว่ำดับเด้พ่อนิมิตเกิดขึ้นมามันบวตื่นเด้แสงเดือนแสงดาวแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ก็ดีนิมิตภายนอกกันนิมิตที่เป็นแขกภายนอกกันหรือปีตีเกิดขึ้นมาส่มันก็บวตื่นเนี่ยคนพอ่อองสยองเก่านี่พวกปีตีหรือพวกอุปจารสมาธิทั้งนั้นแหละประธานเออเป็นหน้าเรา ห้าวนางก็ปรากฏว่ามันเวิงขึ่นเวงขื่นเวงขึ่นยังสี่เขาจะว่าอัปปนาสมาธิได้มีเมียนเนยอุปจารสมาธิทั้งนั้นก็ต้องมาถอนถอนไว้คือกันถอนออกมาแล้วนี้พวกที่เดินอุปจารสมาธิคิดว่สามารถเข้าถึงอัปปนาสมาธิจักเถอ ถึงแต่อุปจารสมาธิแล้วเดินมีปัญนาพวกนี้เป็นพวกยังเป็นพวกโทษสาริษเนี่ยพวกเนี่ยพวกสุกเขายึปัสกุลพวกนี่ย ป, ปัญญาแก่ก้าแห้งผูดปัญญาแห้งผูดมีอำนาจแห่งปัญญาแห่งอำนาจแม่เล็กของปัญญาอะไดึงไปใช้ ดึงไปใช่ไตรักเพราะมเมลิกนอนันแห้งสามารถดูดอุปจารสมาธิมหายุวงแขนท้องกับของได้วกที่เข่าถึงจะทุทช้านถอยออกมาอะไรแล้วจังมาพี่จะาหน้าเหงียะไตรัก พวกนี่อำนาจสมาธิดึงวิปัสสนาสิว่าสมาธิอบรมวิปัสสนากระไดสิว่าวิปัสสนาอบรมสมาธิกระเลยแต่สิว่าดูกพิษสมาธิกระแปลว่าความตังมันอ๋อ หรือชานั่งก็แปลว่าเพ่ยงอยู่ก็เพ่ยงอยู่ในควอมตังมันมีความหมายอันเดียวกันควอมตังมันอยู่ใส่ตังมันอยู่บนเป้าที่จะของตังไว้ถ้าในจิตเดินยงกรมนั่นจิตเขาพะวังหรือไม่พะวอพะวะ พรวังพระวั ง, วงบ่เขาพระวังหนึ่งมันก็เขาพรวังหนึ่งเนี่ยมันกัเขาพรวังอุปจารสมาธิเดินไปเดินมาอยู่มันก็บหุจักบาาเดินไปเดินมาอยู่เพราะความเกิดความดับจาละแปลว่าไปเด้ส่วนอัปน้าสมาธิ คันคิดมันร่วมในทั้งยืนเนาะในทั้งเดินแล้วมันก็ต้องยืนไปบ่ได้ไม่ได้เดินเนาะพวกทวิปิสปวิทพี่เจนะวิปัฒนาควบก็ต้องเดินได้ยเสมอพวกเป็นคาิกาสมาธิสมาธิชั่วข้าวก็เดินได้ยคือกันเดินไปส่วนอัปปนาสมาธินั้นคันคิด้เดินมันร่วมแล้วมันก็ต้องยืนไปบ่ได้ เพราะมีอารมณ์อันเดียวดิบ่มีอันไหนมาทำประยุทธ์ด้เพราะเพราะบอดดิเก้าละ่ะความเกิดความนับสัตว์บุคคลยี่ก็ดีไม่ได้กวดไดากา้ก่าของเจ้าก็แต่มันหลู่ยอยู่ซื่อก็ได้พักเี่ยวหันนั่งคือกัด น, นอนก็คือกันสมาีิแบบมันเข้าไปแล้วว่าได้ยินเสียง หูจักก็แต่มันอยู่ซื่อๆอันอุปปัฏฐาสมาธิแหะสมาธิเข้าไปแล้วมันไม่เสียงมีนี่มีต่างๆว่าหนาสมิเทมันถอนออกมาเป็นอุปจารสมาธิแล้วจะของอย่างโมโหเมืองเพราะบัญญัติว่าเป็นเพราะสมเนียกบ่ถือเพราะสมเนียกว่าถือรืมอข้าวสมิเทมันเป็นอุปจารสมาธิแล้ว ถนี่พวกมิย่านทรัพย์ยศกำกับพ่นมันบวกลงซ่านพ่อเนี่เมื่อมันหอดอุปจารและสมาธิแล้วมันก็พิ่ยันหน้ามเกิดข่มดับพน้าทุกข์เป็นต่นพิ่ยนันาอนิจจังเป็นตงพี่หาธาตุเป็นตเนตเียเงี้ยยุ ก, กับหันมันบม่ได้ตื่นบม่ได้ตืน่นนิมิตภายนอกเนื้อมือนิมิตพายนอกหันไปมันก็บพาะเสียดาย เมื่อนิมิตไพ่หนอกเกิดมามันกรบปรตื่นเพราะงานชั่ประยุทธ์มันมีอยู่คืออุ ป, ปมาคือคนบรตื่นพระเอกนี่ไปบังหนังสี่เป็นหูบเนน้อยมากกระปตื่นเพราเคยชํานัญนูอจักรพระเอกแหละสีนุง่งสีใดมากกรตามออกมาเขาขอ ง, งจักรพระเอกโลดธฉะนั้นคือกันสีแสดงภาพโพดมากองนี้ก็ตาม เพราะเขามีอันนี้จังสัมปยุตเว้ยสัมปยุตนี่นอันนนอุปจาระสมาธิของเขาอะในี่รักดื่มของเขาอไงรักดื่มเพราะวนาเขาว่นนี้จากอาจารย์ดื่มอุปจาระสมาธิแบบนึงนี้จากอาจารย์ดื่มพ่อไปเห็นนเมตทั้งผุด เริ่มอาจารย์เริมเระบานเนยขั่วไปยิน ด, ดีนั่นนี่มิดผล ท, ทั้งนองนี่มีท้ายปลาระว่ า, าล่ามาขึ้นมาหาอาจารย์เราให้มาตั้งกรรมฐานใหม่ด้านเขาด้านขาเขาเห็นโทษเองที่แรกบ่เห็นโทษอะพายบอกกับวบ่า บ, บุยอมฟังนับตายอย่าเชื่อเสียงหม่อมว่าขึ้นตะเกียงปล่อยผลให้ผู้มีสติมากบุปผินนักเสด็จ เห็นพร้อมกันทั้งสองเงินทั้งหลักดื่มกับอนนัทพราะจับอันนี้ไหวดิเดียกว่าพ่ออานาเข้าเ่าขาดอันนี้เดีย๋ยวเขบอกเปนวาวเสียขาดอันนี้พวกลื่อาใบจานเดิมวาวเสียขาดอหลวงสันว่าเดี๋ยวขึ้นมาต่อใหม่ต่อเสือกใหม่ พวกพี่เจนานามเกิดค้อมดับยุกฤตอีอันไหนพานเขาว่ามาลูกไหม่ละเอียดตอนนีกระสางมันกร น, นอมลงใช้บนเดียวบัอดอ้าวโว่มันบมสงสัยว่าสีเมนเรื่องอื่นพวกพี่เาน่าอันนี้จังกับมี้ขมไม้อั น, นเดียวกขาขมเกิดมดับนะพวกพี่เจ้าน่าถูกกัเหมือนกัน เสียงอันไดนบอกบอกแหวกแหวกมาภา ย, นภายในใ น, นิมิตนิมอยยังมันนอบลงชายถูกปัดพวกพี่จหน้าอนัตตาเป็นอารมณ์คือกันนูกเสียงกินรถผดถะทำมาล้มอันไดมันเข้ามาในขณะนั้นมันก็ น, นอมลงมาบัรชาบรมมันบนนนุคคลอันเดียวกันทิ้งหนึ่งรถพวกพี่จ้าหน้าทาดัด อันไหมาพ่านทั้งไก่ทั้งไก่อดีตอันนาคตปัจจุบันมันก็ น, นอมลงสถาดมัดเสมอหน้าก่องไส้ปับเปิดมันะนะบมาสงสัยพวกพี่ยนาพุโทโธมันเห็นภายนอกนภาย่าผ้ายาย่ า, ยายยงมันนอมลงใส่คุณพุโทโธป แม่เห็นเทียวุฒเทยวดัฏามันก็นอบลุงชากุลพุทธโธพระพุทธเจ้าบ่หาหลงมันหนอบมึงสักมันทําเป็นเองมันเพอาะสิ่งเหล่านี้มันเกิดแล้วไปป่วนได้ทั้งนั้นนะครับรักอันนี้มันต้องมีอยู่ก่ามือเขาเลยถืออยู่ในมือเลยมีถืออยู่ในมือมันใส่ง่ายมัก็คือคาดเอว มันก็คือเอาว่างไว้ค่มพ่อทรัพพกรรมฐานที่เป็นไฟลูปเนียวลูปเป็นอารมณ์ก็ดีที่เป็นไฟน้มเนียวน้านกาเป็นอารมณ์ก็ดี ทีเป็นไฟหน้ามียาว่าอารุมาเป็นอารมณ์ก็ดีการยุต้อํานาจควมเกิดขึ้นแล้วแปลปวนไดับปอยเบิดขั้นเมื่อผู้นั้นพี่เจนน้าความเกิดขึ้นแปลปวนไดับปอยเป็นอารมณ์ยุ่งผ่องเขาล้มขอลมออกก็ดีก็เท่ากับว่าเขาจะได้จเจริญกรรมฐานทุกๆ ก, กรรมฐานแหะเพราะกรรมฐานทั้งหลายมันไปหวมหัน มันเป็นญานปัญญาคุณพุโทโต้เนี่ยก็มีเกิดไม่ดับยุดอกหรืออาจารยู้เจริญพุทโต้ได้ว่าครับห่วมอนิจังทุกครั้งอนันตาบอกว่าแต่เจตสิกที่เฮานึกคิดนย่างนี้มันกลไปห่วมคือกันคุณของพระพุทธเจ้ามันบำเพ็นทุกครั้งอนิจจังอนันตาอยังเด้อมันเป็นแม่เป็นมหาอนันตคุณอนเป็นนะคุณอันบ่เกิดบ่บดับเด้คุณบ่ณพุทธธรรมประสง์ ข่านห้าวิะไปตู้ว่าคุณพระพุณพระถ้ำเป็นข้องเกิดข้องรับเขาเรียกว่าห้ามงจกคุณของเพลนเดี๋ยวว่าห้าโอนคุณของเพลนลงมาเป็นโลกี่ว่านี่ห้าววันลงโอนคุณของพ่อองค์เจ้ามาเป็นโลคกี่สักเถอะโรคกุตระคุณเนี่ยอรหัตตะคุณเนี่ยเบเดวสุตดาวันคุณสักขะธาคุณอานาคคุณเนี่ยว่าอรหัตตะคุณพุทธแท่ทำแท่สงแท่ อนาฮัตตะคุณนผุนผู้แทะ ท, ท่าแทะสงแทะอันนี้ก็เริ่มปรสงสัยว่าคุณนอันมู้นนี่เกิดดับไปใส่กั น, นมันจะเกิดดับเป็นตนั้งเกจตัดสีผู้นึกผู้คิดเนี่ยมันก็ใส่โทษอันนี้เท่านั้นแหละอ้อนมันก็ขึ้นมากผิดมาตัดชินสุมนี่งสุมหลังบ่ามันเนยตัดชินน่ะบ่ามันจิไปหายข้าะเนี่ยว่ามันเนี่ยสิบุกบมันหาบมัหายคุณนของผู้พุทธพระธรรมพระสงค์กับไปของบั เ, เกิดบาดับยวงจันทร์นันสิบุ๊บก็มาลง ่อกสั่นอาหลดว่ะผู้สบายพี่เจะหน้าผมขนแลวฟันมือพี่เจ้าน่าสักคลลักกายเป็นที่สบายแต่หางพี่เจะน่ามาในด่านอนสุภะ พิ่จะหนาทุกครั้งอนนีจังนะตาบอพิจะหนาสะก ล, ละกายบอกกมนีคว้มเดียวกันก็มีมม่ขหมายอันเดียวกันตะก ล, ละกายคือเกาตะก ล, ละใจตะก ล, ละน้าของเกาผู้พี่จะหน้าถาดดิเอาถาดมาที่ใส่ป่าพี่จะนาก็ตะก ล, ละกายของเกาแล้วถาดดีซีดีหนาไฟล่มเน่ มนโนธาเป็นไฟหน้ามนโนอินที่ก็เป็นไฟหน้ามโนขันก็เป็นไฟหน้ามโนขันเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณกับอรู ป, ประโลก กับรูปประพบจางกันยังไงมีความหมายอันเดียวกันดินน้าไฟร่มกับรูปประพบกับรูปประมก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประโลกมีความหมายอันเดียวกัน ไม่ชนะชนะทังค า, านไม่ได้ตั้งหน้ามาลูกก็มีข้อไม้อันเดียวกันตั้หน้ามาถ้ำก็มีข้อไม้อันเดียวกันตั้หน้ามาธาตุก็มีคว้อไม้อันเดียวกัน้งหน้ามาขันก็มีคว้อไม้อันเดียวจนสีมองว่าเห็นคนละมู้นี่มู้นี่มูต้ต ว, ว่ามันเกิดดับว่เป็นบบนี้มันเกิดดับเรี้ยวไร้เกินเป็นแสงทียิบมาระวังบ่ได้ เดี๋ยวว่าสังขามเทปุ่มมีใจคล้องอันแต่หั่นข้นปุ่งแป้งขึ้นคนปุ่งแป้งขึ้นขันว่าแต้งตามถาดกับว่ไใดถาดไฟมันมีมันจางแตงใดขันถาดไฟบุ่มมี่สีแตงยังไงใดถูกสีแตงขี้ดินเพราะถาดดินมันมีอยู่จางแตงใดถาดดินบุ่มมีอยู่สีแตงไหนยังไงถูกแตงน้ามือคือกันน้ามันมีอยู่จางแตงไหนน้าปุ่มมี่อยู่สีแตงไหนยังไง จะเอามาใส่ไหนจังไรเขาอ่า น, นลูกสูบมู้นีิเขาสูบออกสูบเข่ามูน้นีิสูบลอดสูบเลือดมันเพราะถ่านร่มมันไม่มีจังแตงไหนถ่านร่มมัม่มีแตงไหนจังไรัขาแล้วผู้ไปยืนยันเอาดินหนาไฟร่มลูกเวทนาชัญนยาทังขาเ ย, ยา็ญญาณว่าเป็นเหล้าเป็นเขาเป็นซัดเป็นบุคคลเออถ่านต่างๆก็ดีอินทรียต่างๆก็ดี อันนั้นเป็นไฟกิเลตอันนั้นเป็นไฟควบข้อใจพิษน่นอดีตอ น, นาคตมีบอสันปัจจุบันมีบอสันก็มีตามสมุดบัญญัตินี่แหละเพราะนี่ผู้ไปยืนยันเอาอดีตอ น, นาคตปัจจุบันมาเป็นเล่าเป็นเขาเป็นซั์เป็นบุคคลนี่ทำท่านสูนงนั่นอันนั้นเป็นไฟกิเลตท่นละเอียดน่น เพิ่นบัญญัติบัญญัติเพิ่นบัญญัติตามของที่มีอยูได้ของมุมีอยู่สิบัญญัติอย่างไรเป็นขันลุษขันพนก็รุษพนอันของที่มันมิยูน่ะของมันบุมมิทีไปรุษอย่างไรก็ลุษพนควมสงสัยจะคของกันแล้ว รุดผลจากข้อมขวาใจพิดท้องจะคล้องกันแล้วเปน็นสั่นไปเนี้ยขันนี้ข้อเขายใจพิดหลายค้อมแก่ก็ต้องได้แก่หลายขันนี้ข้งเขายใจพิษน้อยค้อมแก่ก็น้อยลงควอมแก่ข้อมขวายใจพิษ ปวมันมีอยู่มเดเลยเนี่ยต้องภายนอกภายในมันจริ ง, ยยงอยู่สิมาแก้ควเข่าใจพิษของเฮาเนี่ยเท่า น, นั้นนึงเดียวควบข่าวใจพิดเนี่ยมันก็มีอยู่ง่ายๆอยู่ซีอันของบางงามเข้าไปบัญญายนแล้มันงามนึงควบเป็นจริงของธรรมะมันมุ่ยบรรงามสกุลละกายนีย่แต่ว่ากิเลสของเฮาของผ้าบัญยายนแล้มันสวยมันงาม อันสกุลละกายเป็นของบ่มันบะเทียงบอกไพ่ให้อชิตตารำเนี่ยเทามันไปหลงมันสิมันสิเทียงถ้าผันลืมตัวอภิชาอันในสกุลละกายเนี่ยเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตัวในซัดถูกคนเป็นแท้ทักว่าดินเอาไฟลมประซุ่มกันอยูว่าเท่าเคยว่าเจ้าว่าคอยว่าผมว่าขับเหมืนเท่าก่ไปถือว่าเป็นของเท่าอิริศะเจนว่างว่าได้ใช่หรือเปี่าเนี่ยควรจะแก้บ่เนี่ย นายสีอายนายทั้งไหนนายตาก็ยังใส่ตาอยู่นี่นายหูก็ยังใส่ฟังเสียงอยู่นนี่นายดังก็ยังใส่ดมกินอยู่นีน่ น, นายลดก็ยังใส่หลิมรดอยู่นี่นายกายก็ยังเอาผ้ามาหวนอยู่นนี่นายใจว่าแต่ก็ยังใส่เนื้คิดอยูในใน่นี่ที่ให้นายยังไหนเปลี่ยนแต่นายควบลงเจ้าของผุน นายควบหลงเจ้าของที่บรูตามเป็นจริงว่าปฏิบัติตามเป็นจริงว่าผลทำเป็นจริงผลผลกับเรื่องบัญญัติว่านายตานายหูนายจมูกนายลิ้นนายกายนายใจนายสัมผัสนายเวทนาเออลูกปัชหมิงปินิพินทตินายลูกเวทนายปีนิพินสตินายเวทนา สัญญายาป็ิบินสถิตีนายสัญญาสังขารีสูปินิบินสิตีลายนายสังขารที่ปุงแตงขึ้นวิญญาณัตถมิงปินิบินสถิตีนายวิญญาณที่นึกคิดทั้นตาหูจมูกลิ้นจ้กคูวิญญาณทวตาวิญญาณเพิ่นกับเทียบออกเป็นบุคลาธิฐานเนี่ยพราะเป็นพระสูตรเนี่ย สูตตาสูตรหูสูตรจมูกสูตรลิ้นสูตรกายสูตรใจย่นลงมาเป็นสูตรลูกกับสูตรน้ำสูตรย่อยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสูตรตาหูจมูกเลิ้นกายเป็นสูตรลูกนั่นน้ำก็เป็นสูตรน้ำเวทนาสัญญาสังขารเป็นญาตอาทิตตาปริยาจะสูตรก็ไม่รู้ก็น้ำคือการหายเลยหันเลยเป็นบัญญัติว่าอายุธนะไฟนอกไยในที่สุด บรรยัญญตว่าตาหูจมูกดินกายใจบรรยัญญติว่าลูกเสียงกินรสผลสัพะ ธ, ธรรมลมบัญยัตว่าจักขูสัมผัสโัตาสัมผัสขาตาสัมผัสชีวะสัมผัสอย่างใบสารพัดหลายวานันสัาเพแทกันแม่นออกจากกองน้ําลูกของเกากับบรญยัติของเกานี่ย่หละบัรยัดกระจายออกคือมูลกระจายบัญญัติออกมันเป็นที่ขวักเป็นวักแงวเพื่อให้เข้าใจซัด ผู้ฟังคอยใจสักว่ามันจริงกับมันอันต้งสือตัวเก่าหนละ่ะขันว่าแก้ความหลวงจะของบ่มออีวันแก้ธรรมะกับบอมันแนวแก้เป็นยุ่งฉันเป็นของกิ่งยุ่งฉันธรรมะ ไปแก่ทั้งได้ธรรมะมีอยู่กรณ์ห้องไปแก่ทังได้แก่แก่แก่ความหลงจะของนี่ก็พาใจพิษนี่ก็พาใจพิษมันมันยัดว่ามันถือมันมันยัดว่ามันพอกินพอใไส้แล้วเมื่อมันมันยัดว่ามันพอกินพอใไส้แบบมันกับมันกัเป็นเหตุทำน้อนใจอีกขึ้นกัน อเมื่อมันเป็นเหตุให้นอนใจนะ่ะมันก็เป็นมันมันเอง ก, กันอันไหนมันมาทําให้เป็นเหตุให้นอนใจกับผลของกําเนี่ผลของกรรมห้องไภห้องมันผู้มีกรรมหลายก็นอนใจหลายผู้มีกรรมน่อยก็นอนใจหน่อยนอนกายว่าเป็นปัญหา อย่างหลายวันหนึ่งก็คืนหนึ่งกับผู้นอนหลัของฮกโมงผู้นอนพอดีพองามกับซี่โมงหาโมงวันหนึ่งคืนหนึ่งอันยูดีไม่แห้งเลยแต่เก็บป่วยส่วนนอนใจที่สำคัญผู้รุดพลนแล้วหนันแม่นยูจัดว่านอนกับว่าไ้ สุดยอด ย, ยังกับบ่ได้ผู้พนของเพินรุ้พนแล้วผู้พหันรู้พนที่แล้วฮะเนี่ยมันเป็นยังมาจากน้อนนะกับพ่อกรรมของไผ่ของไมานแล้วไัยสีนอนใจหรือบ่นอนใจไัยสะมาตัดสินให้กันไงกับผู้เจ้าหแล้วเบื้งผู้เจ้าออกไัยสะมาตัดสินให้กันไง หาสินควมสงใช้ตอนใดๆเองสิกัยิมาตัดสินเนี่กัอนหน่อยัเจ้าของกันแล้วตัดสินออกถึงแม้ผู้อื่นมาตัดสินให้เราก็บขบวขึ้นกันมันประสัดในเจ้าของเลยขบวเจ้าของขึ้นขึ้นกันครับมันสิรูมาจะปูตะปูก็ตามซึ่งในมันโลกขบวเจ้าของขึ้น สิ่งที่มันบกขบวชจะคล้องขึ้นมันมีงานชั่งประยุทธ์พวกเขายินดีในรักเขาก บ, บกขบวเขาขึ้นจักรเถ้อเขากระว่าแต่เขาสิรักได้ว่สงสัยว่าสีวรกจักรเถ้อก็เรียกว่า บ, บกขบดชขึ้นอันนั้นมันทําไปยทั้งพิษบอกสักแล้วอะพวกทือบูมีบุญไม่บาปเขากระว่าสีขบดเขาขึ้นจักรเื้าเขาบูได้ลวงว่าสีมีบุญมีบาปจักเถ้า อ, อันนั้นกร บ, บกขบวเขาขึ้นด้วยกัน มันางพิษกันปัดฝ้าครับดินเด้หรอฮะถามเฮาเบิงตอบเฮาให้มันได้่าสงสัย่ยาสมคมใจตอบเฮาว่ า, าปฏิบัติยืนปฏิบัติเพื่ออย่างญาสงสัยวันนี้ แล้วห้าปฏิบัติเพื่อยั้งก็ต้องตอบพ่าได้ห้าวปฏิบัติเพื่อยั้งก็ต้องตอบพ่าได้ห้าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ก็ต้องตอบพ่าได้ห้าวปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ก็ต้องตอบเ่อได้ด่วมันเนี่ยสี่ไปตอบใน่สนามหลวงเอาคะแนน แดีววันคืนฮาลวงมาลงมาลงมาลงมาจิตใจเขาอยู่ระดับใดเดียวนี่ควมเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาควบเหลื่อมสในทางรุดทั้งพนของเขานักเข้าไปนาบอกหรือเขาเป็นนกหรืองเสือกเหือกข่อยเสือกเรื่อผ่ายอยู่ซื้อได้กินแล้วก็กินได้ยู่แล้วก็ยู่ได้นั่งแล้วก็นั่งได้นอนแล้วก็นอนแล้วมือ น, นั่นมือนี่ปล่อยบอก หรือจังไหนอันเมื่อนี่ห้าก็ต้องถามห้าตอบห้าได้บมันคอยจะให้ผู้อื่นมาให้คะแนนบางมันคอยจะให้ผู้อื่นมาบุบห้า เขาสงสัยในโลกในสงสารยังไงนเดาเข้าสงสัยในกล่องน้ำลูปยังไงเน่หรือเข้าบาสงสัยในกล่องน้ำลูปจังไงเขาสงสัยในอดีตยังไงเข้าสงสัยในอนาคตยังไงเข้าสงสัยในปัจจุบันยังไงขันบ่ทำหน้ า, นานในแต่ละม่านก็นสงสัยเอาซักครั้งนี่แล้ ช้ำหน้าในแต่รักมันกะว่าสงสัแล้วมันกระตอบมันไหนพับโลรยมันหอดบ่จากถามมันสักสถามให้เสียเวลาให้ยังว่าสงสัยมันทห่อมจากหอดจากถามมันบหอดจากตอบมันผุดแล้วเนียมันก็ไม่นาที่แต่พี่จะหน้าตามจริงกันยุจังสรรพวจืีวจางแหละ พบาปันเกลือเนี่ยเอามากรี๊ปย้ำเลยเขียบอยู่ซ้ำเก่าเนี่ยพบหนามันสงสัยบอพบลวงมาแล้วมันสงสัยบอพบปัจจุบันอยู่นี่มันสงสัยบอ มันสงสัยเพราะเหตุใดมันบ่สงสัยเพราะเหตุใดก็ต้องตอบเจ้าของให้มันได้ขันเมื่อมันสงสัยมันสงสัยทําไมมันเข้าใจมันเป็ิดยังไม่ยังจีสงสัยเมื่อมันบ่สงสัยมันบ่สงสัยด้วยเหตุอันไร มันโมสงสัยเดี๋ยวคว่ำมังไงบอกหรือมันบมสงสัยเลยวคว่ำแอบค่ายกระตอจกจะของให้บรรไดขั้นเข้าใจว่าโลกอดีตโลกอานาคตโลกปัจจุบันชาติอดีตชาสติอานาคตชาติปัจจุบัน เป็นของซุกเป็นของเทียงเป็นของเป็นตัวเป็นตนมันบ่อยากสงสัยปะแนี้มันก็สงสัยแล้วอ่าคำนั้นลู่แก่งซัตอยางพึงผายในคิดในใจมัน่ะมันกับว่าสงสัยแล้วโลกอดีตโล ก, ก น, น่าคนโลกปัจจุบัน หาเป็นโรคอดีตหาเป็นโลกอนาคตหายเป็นโลกปัจจุบันคัติบันย่ายโลกออกมันก็ต่างหกโลกตาเป็นโรคหน้อยหนึ่งหูเป็นโรคหน้อยหนึ่งจมูกเป็นโรคหน้อยหนึ่งลิ้นเป็นโรคหน้อยหนึ่งกายเป็นโรคหน้อยนึงใจเป็นโรคหน้อยหนึ่งในมหาสติประธานสูตรอย่างพิสดารอดีตเป็นโลกน่อยหนึ่งอนาคตเป็นโลกน้อยนึงปัจจุบันเป็นโลกเพาะยนทุมนีลงไปหา โลกลูกโลกน้ำออยดนลงมาเป็นสองโลกลูกโลกน้ําซึ่งมื่อนี่แล้วย่นลงมาหาโลกปัจจุบันอดีตอนาคตโลกอดีตล่วงไปแล้วโลกอนาคตเ่าะทมาถึงโลกปัจจุบันพนี่นวนเขาในโลกปัจจุบันแล้วฮะี่ โรคปัจจุบันกระทั่ปัจจุบันคือกันอ๋อกรีนปัจจุบันคือกันอ๋อสมาธิม่ปัจจุบันคือกันอ๋อของฉันอาโลดว่ามันก็เลยมาสงสัยในสินอดีตสินอนาคตสินปัจจุบันมาสงสัยสมาธิอดีตมาสงสัยสมาธิอนาคตมาสงสัยสมาธิปัจจุบันมาสงสัยปัญญาอดีตมาสงสัยปัญญาอนาคตมาสงสัยปัญญาปัจจุบันมันก็มีข้อหมายอันเดียวกันได้ปฏิวัติก็หระไร ดัตธรรมะไยปฏิบัตินี่ค่ก็ดีการปฏิบัติกระสบายจริงัะนี่มันกระบ่เถือเป็นของยากจริงฮะนี่เมื่อมันบรถือเป็นของยากมันกรพ้อยใจพี่แกหน้าของมันฮะนี่ค่ามันเป็นถือเป็นของยากเหลือไปใส่มันก็ไ่พ้อยใจพี่แกหน้าของมันเพราะมันบ่เที เพราะชือหาประสาทไม่บารับเด้จิ้มยังกับกระาบจินมยังกับกระาเบคือเาิ้เขากระเพาบนี่แลวานมไหนกับเป้าซะชื่ตัวนึงกรบเถวานมาไก็เป้าซะตัเชอตัวนึงกรบเพาถือเพราะเขาชี้กตัวนึงกาถือแค่ถึอแตน้ำก็ชี้ก่อนทนแล้ว เ อ, อะหานหน่ใหมัดหมือนมัดเว้นหนามูขมูเขาได้เต็มกระยังเต็มกระตาตัวเขาได้ขี้ค้านท่านเนี่ะแล้วลู้ดีอยู่เนี่ยว่า ปัจใจซี่กี่ว่าบินทบาทเสนาสนะและเพศสัตว์เทาอาศัยสัวข้าวซื่อพ่อให้ประพฤติพ่อมาจัน์สะดวกซื้อเมื่อมันเท่าจะออกไปพณิธานน้นเป็นอาหารเดินทางน่ซือเป็นห่อเขาเดินทางน่ซือ พระพุทธเจ้าเขาสู้พระนิพนพานบรเจ้าเอากีวันบินทบาทเสนาสนะในเพศซัดไปนําเพื่อนก็นทีมให้ยมูอห้องหนักกันอยู่ยพี่ละหนักกันอาศัยปฏิบัติเพื่อผลทุกเทว่าลูกพิมมาโลกอลกกันใดเพื่อนกันกบพเห็นทธในหอไปนํางตั้งแตฝากเอาได้พระเจ้าองค์อื่นผล อ, อีกอยู่มาชำระสะสารให้คิดใจสัดทั้งหลายสูงก็สิ้นแล้วหนีไป แก่ความหลงกับของสูงไปก็ซิีงโมนี่ตีข้อหมายลองหามาซัดวาในไตโลกาธาทั้งอดีตทั้งอนาคตปัจจุบันนี่ก็มีแต่ทุกบัญจุอยู่สี่แล้วปัญหามันทว่าจะใช้อีกกระโดหมามสัดลุงยังสั่นมันมาซัดลงยังสั่น ต, ตีปัญหามันหลายอ่ะ มศาสตรว่าพบว่าอดีตและอนาคตปัจจุบันในสเปไตะวักท่าเนี่ยเต็มไปด้วยเตทุกหาบนเข็มซ่อนบุมมี่เพื่นปัญหาของคิดบขุนแก้มมันก็มาลายแล้วปัญหาสิมาสอดแทรกเกี่ยวของสิมาได้ประตูและรกระกกเดียดแทพะพอติปั่มไม่ไหวมือเห็นสัตว์ยองสัตว์อับปัญญาเขามีกําลังเลยที่ สีนีมาที่ปัญญาเราไม่ได้เอื้นแม่สีด้วยจงมาร่วมกันกับสติกับปัญญาเด้อสัตว์นิ ม, ม่าเด้อมาผู้ข่าเทือนเด้อไม่ได้เอืเ้นเด้อหรืมาบันเดียวขันเอาโลดมาแบ็บเพราะเหือดเดืออาการหรือจังได้ไม่รู้มาโดยวิธีได้ไม่รู้แล้วดำดินบินบนมากขาไม่รู้แล่ะสติกับปัญญาเออมันทํำมาโลดมันทําเมีนโลดไมบอกสัตว์เอาโลด พี่จะน่าทำเป็นจริงด้วยลูตทำเป็นจริงด้วยเนะาะบกขีเทศจะของละ่ะตัดถินลงหันมันตัวศีนะตั้งมันลงหันรอบรู่วนหันขันรอบรู่ในโลกทั้งสามหล้ว ถ้ามีแน่มันก็รอบลูกอยู่ในตัวโลกอันนี้โลกอัน่าคดโลกปัจจุบันหลุมทานเพิ่งเอาซักก ค, คักกองทุกข์เอาซักกะ ค, คักกองเกิดกองนับเอาซักก ค, คักสังขารเอาซักกคัก มือจบกเกษียนจักเทือเมื่อโลกทั้งหลายมือจบกเกษียนในกองทุกยุ่งซี่ฮะนี่จิตใจมันทีหวังพบหน่อยพบไงหวังอดีตนาคตอย่งนี้ก็ดอกเดียดแท้ก็หลงก็ได้วง่แสนอรลด ของมันมีบันเดียวเท่าน่ะว่าไปบุตรอื่นมันกับว่สิ่นควบสงสัยหายว่ามันมันสิสิ่นควมสงสยยัยนี่ไหมมันจังสิไดตั้งนาพี่แกนาอยู่เนืองเนืองมันจังจิงเป็นพระวิตาพาระมุรีกตามันจังจิงเป็นสังวัตตันติอภินญายะนพิพพานาะเจ้าโพธิญา เมื่อได้สมณะภาพพี่จะน่าเห็นค้อมเกิดควอมดับแล้วเมื่อข้อมสงสัยของสมณะภาพยอมหายไปคําว่าภาพในที่นี่หมายผู้บำเพ็ญพจนบ่มามันภาพอันภาพในที่นี่เรียกคมร่วมหมายควอมว่าสมณะภาพสมณะบัณฑิตว่มามันภามอัน แบบสู้โศกนักมันเป้ามสู้ขวนภามในที่นี้หมายถึงสมณะภามปุ๊บปลพืชพลดเพื่อคนทุกข์พระพุสมมาเนี่ยเขาเรียกว่าภาพเหมือนกันผู้ประพืชเพื่อคนทุกข์กัอุบาสกอุบาสิ ก, กาเขเรียกว่าภาพเหมือนกันผู้ประพืชเพื่อคนทุกข์กัเทวุธเทวดาก็ตาม ก็มีคิดมีใจนองเพื่อพ้ทุกข์กระจัดเป็นภามคือกันเ <c oughs> นี่ล่าไม่น้อยแต่ละสาลละพบเนี่ย ทึงเฮ็ดทึงโอ่ของภายนอกทึงเฮ็ดทึงเพ่งโทษเจ้าของทึ้งหคะแนนเจ้าของคะแนนหาแตอนคะแนนตอนว่ามันบาิพิษทรัพยพิษินพิธรรม จพงโทษเจ้าของเระเหตุไดเพราะเหตุมาค่าแต่ ง, งานกุกิกกอยู่รยวรายุสะดวกวารีปฏิบัติท้ำสะดวกให้คะแนนเจ้าของเระเหตุไดฮั่นอัติเหตุันมัติโวังพิงติงอยัดติยมแลวกบได้ภาวะนี่ เนี่เอ า, าพวกพิทินพิทัาเฮ็ดเอาได้ที่าะฉะนี่ให้กันเนี่ยจะหอมงานบางสิ่งบางอย่างเฮ็ดแก่ลำคาญมีเมื่องานบางสิ่งบางอย่างเฮ็ดโดยความพอใจมีอันเฮ็ดสะพานเนี่ก็เฮ็ดแก่ลำคาญ น, นี่แหละเดียวนี้ถนนอุเบกขาไล่มันกลายเป็นอุเบกขวางค่ะเนี่มาฆ่าอยู่งั้นใช่ เขาก็ว่าอยู่ไม่มีบุญวัสนาร้ายเขาได้ไต่เข้ามาในเห็ุผู้เขาบอกนันก็นมี่อยู่ๆฝนมาเหตุไต่บองสันกับปุ๊บทุกตัวเาผ่นแล้วเขาบอกมีบุญวัสนาร้ายเขาอันที่บอกสันก็นมี่แนวบอกนี่พอพุทธเจ้าเข้าวัาดในสางบารมีทอพุทธเจ้าพุทธเจ้าลงทุนสางบารมีมาสั่งสอนเขาให้ละบาปบำเพ็ญบุญ หากบบุญมีวัฒนาหลายิทือว่าห้ามีบุญรายก็พระพุทธเจ้าปรีกิบวกับว่าถือขึ้นกันเขาปิถือว่าเขามีบุญวันาหลายก็ห้าวประยิ ก, กันแแต่เขาชื่อว่าแ ล, วแล้วก็เกาหันละไม่นบอกายปฏิบัติสังกัดเดียวกันนะ่ าการถ้ากว่ามากดีมากง่ามโดยก็ไม่เหตุไม่ผลว่ไม่อธิกรณ์